ก็มีโยมคนหนึ่งแกเป็นคนทุกข์มากอนะนะหน้าแกจะทุกข์มากเพราะแกถือว่าทุกคนในโลกมันไม่มีใครดีอ่ะคือมัดีอยู่คนคิดคนเดียวอะ่ะเนี่ยนะแกดีที่แกไปคิดอย่างนั้นอนะ่ะแกชอบเพาแกดีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเลวหมดเลยนนะคนนั้นก็ไม่ดียังนี้เดือดร้อนกับรัฐบาลอีกเดือดร้อนกับประเทศชาติเดือดร้อนกับประชาชนเดือดร้อนกับฝนตกแดดออกเนี่ยนะไม่พอใจไปทุกเรื่องไปหมดเลย คนกลุ่มนี้ก็มีแต่อีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะยิ้มแย้มแจ่มใสก็เออก็ธรรมดาจะไปทําอะไรได้ก็คือในฐานะเราไม่ใช่เป็นคนแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆเราจะไปทําอะไรเนี่ยนะคือถ้าถามว่าถ้าเราโกรธกับเราไม่โกรธเนี่ยนะปัญหาอะไรมันจะเลวร้ายกว่ากันหรือมันจะดีขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราโกรธแล้วแม้มันทุกอย่างมันดีขึ้นหมดมไม่ได้ดีอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ มันถ้าถนนไม่ดีนะต่อเมื่อไหร่เราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงค ม, มนาคมแล้วครอยว่าทีนะว่าเราจะทําให้มันดีเลยถนนเนี่ยใช่ไหมกระทาเออเนี่ยยามันเยอะก็เป็นตํารวจซะ ก, ก่อนนะค่อยว่ากทีงั้นนะคือไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนในฐานะนั้นนั้นคนโดยทั่วๆไปเนี่ยไปเดือดร้อนในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้เนี่ยนะ แต่สิ่งที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องอะนะตัวเองมีอํานาจอันนั้นไม่แก้หรอไปแ ก, ปแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาซะส่วนใหญ่หมดเลยเห็นไหมนึกถึงไอ้เพื่อนคนหนึ่งอะไนงะมันอั้นคนนั้นก็เกินไปเมั น, นเขาเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาไปแก้ปัญหาให้เนี่ย น, นะชประทานมันต้องทําอย่างนี้เขาว่ากันแต่เดือดร้อนแทนกรมชปรัฐบาลซาอีกโอ้จะป่านั้นนะหาเรื่องเดือดร้อนมาจนได้คนก็เก่งขนาดนั้นนะเก่งที่จะหาเรื่องจนตัวเองแทบจะนอนไม่หลับอะไนะ แต่ว่าคนที่เขาทําใจได้ในสิ่งนั้นนั้นอะ่ะจะไปทํำยังไงเานาะถ้าจะทําได้จริงๆแก้ปัญหาได้จริงๆก็ช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าสิเนี่ยนะถ้าแน่จริงก็ไปบําเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์จะได้ช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์อ่ะนะตรงนั้นอะ่ะมันจึงจะแก้ปัญหาได้จริงๆเพราะว่าโดยรวมๆแล้วนะก็ไอ้คนโกรธเนี่ยมันก็ป่วยก่อนละไอ้คนไม่พอใจเนี่ยป่วยก่อนไอ้เรื่องของเขาเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็มาป่วยอยู่คนเดียวนัว่นแหละ มันถ้าคิดได้กนนะ็พยายามที่จะเจริญอาโทสะเนี่ยนะอาโทสะก็คือเมตตาหรือขันตินั่นเองธรรมะเหล่านี้แก้ด้วยอโทสะนนะก็ไฟที่ไหม้เนี่ยก็ดับด้วยน้ำฉันใดโทสะที่เกิดขึ้นก็ดับด้วยอโทสะหรือดับด้วยขันติฉันนั้นแต่ทีนี้วิธีจะดับเนี่ยนะก็คือพิจารณาเห็นโทษของสภาพจิตของความกโกรธของตัวเองก่อนเห็นโทษของ ความโกรธที่มีอยู่ในภายในเนี่ยอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาสิ่งที่เราโกรธเนี่ยว่าทําไมเราต้องไปโกรธในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะก็พิจารณาในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธอย่างหนึ่งวัตถุเอ่อพิจารณาตัวความโกรธแล้วก็พิจารณาด้วยกรรมสักตาเป็นต้นเนี่ยนะเอากรรมสกตามาจับมาวัดเนี่ยก็จะรู้ว่าสมควรแก่การโกรธหรือไม่ถ้าเรื่องนั้นมันน่าโกรธจริงๆอ่ะนะแล้ว ตัวเองที่โกรธให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทำมาคิดอย่างนี้ก็ต้องเลิกโกรธนะเพราะฉะนั้นถ้าโกรธเมื่อไรเนี่ยนะก็นึกเลยนะเออดีแล้วโกรธไปเถอะชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะนะชาติหน้าเกิดมาก็ไม่สวยถ้าเกิดมาไม่สวยแล้วก็อย่าไปเสียใจนะนผิวจะเหมือนคางคกก็ทําใจนะอย่างเงี้ยนะก็โกรธไว้เยอะๆเถอะอย่างงี้ยนะก็คิดไว้อย่างงี้นะ ทีนี้ถ้าเราไร้ญาติขาดมิตรไม่มีคนมีเมตตาต่อเราเลยไม่มีใครมาเหลียวมาแลเลยนะเพราะเราเป็นคนขี้โกรธอย่างนก็ทําใจนะก็คือยอมจะให้ยอมรับอนิสงฆ์ของความโกรธให้หมดแล้วก็โกรธต่อไปแต่ไม่เป็นองนั้นนะถ้าใครพิจารณาโทษของความโกรธเท่าไหร่ก็จะเรีบละความโกรธเท่านั้นนะนะนะก็จะไม่ยอมปล่อยให้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นะนะ ถ้าโกรธไปแล้วมันจะเกิดโรคทั้งหลายก็ยอมรับนะถ้าอามาพฤกษจะเกิดก็เอานะก็โกรธต่อไปเนี่ยนะก็เขามีนะของเราไม่มีใครที่โกรธขนาดเนี่ยล่ะก็มีคนแถบอีสานอยู่คนหนึ่งแกเดินเนี่ยนะโบราณกันไม่ใส่รองเท้าทีนี้ไอ้ถนนโบราณยังมีตอไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะเนี่ยนะแกเดินไปก็ไปเตะตอไม้อตอนึ่งนะตอขนาดขนาดนี่ยเป็นตอไม้แก่นใช่ไหมโผล่ขึ้นมาหน่อยแกก็เตะเลือดก็อาบเท้าเลยนะ แกโกรธมากเลยนะแกทำไงของเราทำอมมี่ไปฟันนะไม่ใช่แกหันไปเตะใหม่เตะจนไอ้ตอไม้นั่นมันหักอะ่ะ oh. แล้วคิดดูว่าเท้าของแกจะไปขนาดไหนแล้วนะแล้วก็มีคนโกรธขนาดนั้นอีกวะ่นะก็ถ้าโกรธขนาดนั้นก็เอาก็เลือดอาบเลยนะกว่าตอไม้นั้นจะหักอะ่ะ ใ, ใ, ใช้ความโกรธเนี่ยเตะตอตอไมอ้นั่นแหละ ก็มีนะคนโกรธขนาดนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีอยู่ในโลกนะนี้เราก็พิจารณานะถ้าเราสะสมไอ้ความโกรธอันนี้บ่อยๆเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเอาไหมเพราะมันในที่สุดก็เดินทางไปสู่แนวเดียวกันอยู่แล้วเห็นไหมเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยปกติมันจะเผาจากภายในเนี่ยออกไปภายนอกแล้วมันเผาจากภายนอกเข้ามาภายในอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเผาจากภายในไปภายนอกนะมันก็จะเผาจากจิตเจตสิกของตัวเองออกไปก่อนใช่ไหม แล้วก็ออกไปเผาข้างนอกข้างนอกข้างนอกแล้วมันก็กลับเข้ามาเผาตัวเองอีกครั้งเผาสรีระร่างกายเผาแม้กระทั่งสุขติของตัวเองเนี่ยให้หมดไปนะครเพราะความโกรธถึงที่สุดจะหันกลับมาฆ่าตัวเองถ้าถ้าถึงที่สุดเลยนะแต่มันจะเริ่มฆ่าคนอื่นไปข้างนอกก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาฆ่าตัวเองอีกในที่สุดนั้นถ้าผู้ที่พิจารณาเห็นภัยของโทสะมากเท่าไหร่ก็กําจัดโทสะได้มากเท่านั้นนะ ยังชอบโยมคนหนึ่งเลยก็บอกว่าเขาเออโยมคนนี้เขาไม่ค่อยโกรธจริงๆเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ค่อยโกรธอาจจะมีบ้างอนะแต่ว่าไม่แสดงออกแม้แต่นิดเดียวเลยก็บอกว่าก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมก็คนอื่นเขาแสดงให้ดูหมดแล้วคำว่างั้นคนอื่นเขาทําให้ดูหมดเลยอะ่ะเวลาโกรธแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะเขาเห็นเลยอะ่ะเขาก็เลยเขาเลยไม่ต้องโกรธคำว่างั้น พราคนอื่นแสดงให้ดูหมดแล้วถ้าเขาจะทำเขาก็ทําแบบคนนั้น ๆ, ๆเพราะฉะนั้นก็ว่ามันไม่ดีก็เลยไม่ทำเหมือนกันนะ ก, ก็มีคนประเภทนี้อีกเนี่ยนะ ก, ก็เป็นคนกลายเป็นคนใจดีไปเลยเนี่ยนะเป็นคนใจดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้แต่ว่าไม่รู้จะโกรธไปทําไมเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาโกรธนะเขาโกรธให้ดูหมดแลว้วอ่ะกิริยาอาการต่างๆโอ้มันน่าเกลียดจริงๆอนะสาหรับคนที่โกรธเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กอนะสมหรับเด็กๆโกรธแล้วก็ เหยียบบ้านใหญ่ๆตึงต้ ง, ง, งเลยนะอย่างั้นแสดงเาเป็นคนฉ ล, ลาดก็พวกนี้ศึกษาธรรมะทั้งนั้นะที่มักที่จะนี้ได้ถ้าพู้ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ฐานะเลยแม้ขนาดศึกษาธรรมะเรียกว่ารักษายาเย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่นี่ก็คือพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วในคนเดียวกันปกติมันร้อนกว่านั้นเยอะขนาดมารับยาเย็นไปขนาดนี้ก็ยังร้อนอยู่ดีเนี่ยนะก็ต้องคือ การศึกษาธรรมะเนี่ยนะการไปวัดผลเนี่ยต้องเอาคนคนเดียวกันมาวัดไม่ใช่ไปเทียววัดกับคนอื่นสมมติว่าคนที่ใจร้อนมากมาศึกษาธรรมะเนี่ยจริงๆิ ง, จงใจเขาเย็นลงเยอะเนี่ยนะในคนคนเดียวนะแต่ไม่ใช่ไปเทียบกับคนกลุ่มน้าแข็งอยู่แล้วเนี่ยนะเทียบกันไม่ได้หรอกอ น, นะก็เหมือนกับว่าคนบางคนทำไมไปเข้าไปหาหมอไปหาหมอบ่อยจังแต่ทำไมแมไม่หายโรคสักทีหนึ่งก็ดูป่วยกว่าคนอื่น ไอคนนี้ทาไปหาหมอมจะป่วยหนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะอันนี้หมายถึงหมอตามหลักเลยนะในคนเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ได้รับอยู่รับยาเป็นต้นเนี่ยจะป่วยหนักกว่าไม่ไปหาหมอตั้งเยอะแต่อย่าไปเทียบกับคนเขาแข็งแรงสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็ต้องเอากรณีคนเดียวกั น, น, น, นเนจิญพอย่างถ้าเราปกติเราไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเราจะโกรธ ถ, ถึงขนาดฆ่าสัตว์เลยเล ย, นะยุงกัดตบลันทีตาตานาติบาต แต่พอมารักศึกษาธรรมะเขาก็มีศีลถึงโกรธไม่ชอบใจจะหงุดหงิดแต่ก็ไม่ฆ่าอย่างเงี้ยนะ ก, ก็อย่างน้อยปริมาณของโทสะก็ลดลงไปเยอะแล้วนะถึงจากฆ่าแล้วไม่มาฆ่าเนี่ย น, นะแต่ก็ยังหงุดหงิดอยู่แต่ถ้ายังศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ, ๆในที่สุดก็ต้องละโทสะได้สักวันหนึ่งเนี่ยนะมันก็พยายามภาพเพียรถถึงจะละได้นิดหน่อยก็ให้ดีใจเนี่ย น, นะ อริยวงเขาเป็นอย่างนั้นนะวงของพระอาริยเนี่ยบาปอากุศลที่กําจัดออกไปแม้แต่กําจัดได้น้อยกําจัดได้นิดหน่อยหรือกําจัดได้เท่าไหร่ดีใจเสมอที่ได้กําจัดบาปอากุศลนั้ น, น, นไปนนะถึงยังทําอะไรไม่ได้มากนะักก็ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะเห็นโทษแกนะนะตั้งแต่วันนี้ไปฉันขอประกาศศึกกแกแต่ว่าถึงจะยังละไม่ได้ก็แต่ว่าจะต้องละให้ได้ นะสมมติในะอย่างวันนี้เราเราโทสะใช่ไหมเราก็รู้ว่าโทสะมันไม่ดีก็ไม่ชอบด้วยเนี่ยนะแต่ว่าไอความที่เรียกว่าอะไรนะกลุ่มไวไฟนะกลุ่มวัตถุ WiFI ทั้งหลายแหละนะเนี่ยพอได้ปัจจัยปั๊บโกรธเลยทันเวลากุศลจิตเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาให้ทานสมาทานศีลตั้งอัธยาศาัยไปเลยกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อตัดโทสะเนี่ยนะเป็นไปเพื่อกําจัดโทสะ เพราะบางท่านเนี่ยก็ใช้วิธีเนี่ยในการกําจัดโทสะเนี่ยนะก็คือในอย่างในชาดกเป็นต้นเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนมักโกรธมากพอความโกรธนี่ไปสร้างความเสียหายให้และรู้พิษภัยของความโกรธก็เลยให้ทานหรือสมาทานศีลแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะกําจัดความโกรธอันนั้นอันถ้าตั้งอุปนิสัยเพื่อจะเห็นภายใน อกุศลเท่าไหร่เนี่ยนะก็สามารถที่จะละบาปละอกุศลได้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าแม้โกรธแล้วก็ยังดีอยู่นั่นแหละนีฉันดีหมดอ่ะนะถ้าของฉันน่าจะโกรธก็ดีหมดถ้าอย่างนี้ก็อยากแก้ยากแต่ถ้าอย่างน้อยที่สุดเห็นภัยของความโกรธก่อนอะนะเห็นภัยที่ตัวเองโกรธอ่ะนะก็อย่างนี้อนาคตจะละได้แต่ในขณะเดียวกันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะละกันได้ง่ายๆเหมือนอะไรเหมือนกับคนนี่สินท่วมตัวไปหมดเลยเนะ การใช้นี่เริ่มใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเห็นผลทันทีหรอกที่ลดแต่ว่าไปอีกระยะหนึ่งแล้วมันจะเบาขึ้น น, นก็ต้องว่าเป็นรายบุคคลไปก็คิดนะว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราต้องการโรคเนี่ย น, นก็คิดแค่นี้ก็พอพอที่จะละโทสะไปได้เยอะเนี่ยนส่วนในข้อ461เนี่ยเนี่ยกล่าวถึงธรรมะที่ท้างตลอดได้ยาก ความต่างกันแห่งธาตุทำให้อะไรต่างทำให้ภาษะต่างภาษาต่างทำให้เวทนาต่างเวทนาต่างทำให้สัญญาต่างสัญญาต่างทำให้วิตกต่างนํริตัวนั้นวิตกนะวิตกที่ต่างก็ทำให้ฉันทะต่างกันฉันทะต่างก็ทำให้ความเร่าร้อนแตกต่างกันไปความเร่าร้อนแตกต่างก็ทำให้การแสวงหาแตกต่างเมื่อแสวงหาแตกต่างการได้ก็แตกต่างกัน นนทีนี้ย้อนมาที่ธาตุที่แตกต่างกันเนี่ยนะธาตุต่างก็คือธาตุสิบแปดความต่างแห่งธาตุสิบปดนั่นเองอันนัจากครูธาตุรูปธาตุจากครูวิญญาณธาตุเรียกว่าธาตุทางทวารตาก็สามอย่างใช่ไหมก็ต่างกันและธาตุทางทวารหูก็สามธาตุทางทวารจมูกก็สามธาตุทางทวารลิ้นก็สามธาตุทางทวารกายก็สามธาตุทางทวารใจก็สามเพราะฉะนั้นธาต ห้าหสามคูณหเท่ากับสิบแปดเนี่ยนะก็ธาตุสิบแปดเมื่อธาตุทั้งหลายมันแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยนะการรับกระทบก็ต่างกันแม้แต่ทวารตาเนี่ยนะสีสีก็ต่างกันนะความต่างแห่งรูปประเทศเนี่ยสีขาวก็อย่างหนึ่งสีเขียวก็อย่างหนึ่งสีเหลืองสีดำสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยนะสีแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปเมื่อสีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแตกต่างกันไปเนี่ยนะภาษะก็ต่างกัน เวลาเห็นเนี่ยนะภาษาก็ทำให้เกิดภาษาที่แตกต่างกันไปเมื่อภาษาแตกต่างกันไปเนี่ยนะเวทนาก็แตกต่างกันไปเมื่อเวทนาแตกต่างกันขนาดนี้นะการสัญญาเนี่ยนะการไปรับอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเอาไว้ก็แตกต่างกันไปเมื่อรับอารมณ์ที่หลากหลายเอาไว้แตกต่างกันเวลาจะนึกถึงอารมณ์อันนั้นนั้นด้วยวิตกเลยนะวิตกก็นึกถึง วิตกที่นึกถึงอันนี้ก็ทำให้ฉันทะเนี่ยแตกต่างกันไปคำว่าวิตกอันนี้หมายถึงกามาวิตกเป็นต้นเนี่ยไ เอาทวารไหนดีทวารใจนะมโนธาตุเนี่ยอะไรท่านธรรมธาตุเนี่ยนะแล้วก็มโนวิญญาณธาตุมโนธาตุตัวนี้เนี่ยมีหลายหลายในนะแบ่งออกเป็นสองใน มโนธาตุในหนึ่งคือปัญจทวาราวัชนะหนึ่งบวกกับสัมปติชนะสองในหนึ่งอีกในหนึ่งทำว่ามโนธาตุอันนี้หมายถึงภวังบวกอวชนะัชะเนี่ยนะมีสองในมโนธาตุตัวนี้ พื้นฐานของมโนธาตุกับธรรมธาตุเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้มโนวิญญาณธาตุแตกต่างกันมโนวิญญาณธาตุเนี่ยต่างยังไงมโนวิญญาณธาตุก็แบ่งแบ่งเป็นอกุสุนสิบใช่ไหมมโนวิญญาณธาตุคืออกุศล12อะไรอีกมหากุศล8มหากิริยาแปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าพวกผวังอวัชนะก็อยู่นี่แหละ เมื่อมโนวิญญาณธาตุที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นโลภะแปโทสะสองโมหะสองมหากุศล8มหากิริยา8เนี่ยเมื่อมโนวิญญาณธาตุต่างขนาดนี้เนี่ยนะภาษะมันก็ต่างไปตามนั้นไปเนี่ยนะภาษะก็แตกต่างตามสมควรแก่แก่ความคิดเนี่ยนะเมื่อภาษะที่แตกต่างกันสมควรต่อความคิด ทุกครั้งที่รับเนี่ยนะสัญญาก็จะแตกต่างกันไปขณะที่โลภะเกิดสัญญาเป็นอะไรเป็นกามสัญญาโทสะเกิดเนี่ยเป็นพยาบาทสัญญาพยาปาทะสัญญาเนี่ยนะนะหรือว่าโทสะบางอย่างก็เป็นวิหิงสาสัญญามันก็เป็นพวกกลุ่มอกุศลสัญญาทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะนะ เรื่องเหล่านี้มันเกิดทางมโนทวารทีนี้ดูฟังดูแล้ในสัญญามันมาอยู่อันดับที่สองที่สามแต่ถ้าหากเรามาพิจารณาแล้วเนี่ยในเรื่องของภาษากรดีเวทนากรณีสัญญาก็ดีต้องเกิดพร้อมกันครับจริงพร้อมกันแต่ที่นี่ในส่วนบางครั้งเนี่ยเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติเกิดจากสัญญาอ่าอยู่ๆเราก็ อ่าใช่อัน น, นี้นี่เราพูดถึงต้นก่อนอันนี้เราเราพูดต้นน้ําก่อนอนนว่าพื้นฐานทำมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุขึ้นอาจจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้อันนี้เราแต่ว่าเราเอาขึ้นมาเป็นต้นเพราะมันต้นกับท้ายมันก็ใกล้ๆกักในในะนี้พอสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะสัญญาอันนี้ก็แบ่งเป็นถ้าเกิดร่วมกับโลภะก็เป็นอ่าเนี่ ย, ยกกรรมสัญญาหรือพยาบาทสัญญาหรือวิหิงสาสัญญา หรื อ, อเป็นธรรมสัญญาเลยที่เรียกว่าโดยโดยเรียกโดยอารมณ์นนะเพราะธรรมสัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่รูปสัญญาสัทธสัญญาคันท่าสัญญ า, า, ญญาเพราะธรรมสัญญานี้ก็แบ่งอะไรคิดถึงอะไรดีจิตใช่ไหมเมื่อมีจิตเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่ามีธรรมสัญญาหรือมีภาษาทรูปเป็นอารมณนะ์ก็เป็นธรรมสัญญาสุขุมรูป16กเนี่ยนะก็เป็นธรรมสัญญาหรือนึกถึงเจตสิก ทั้งห้ก็เป็นธรรมสัญญาหรือบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติทั้งอัฏฐบัญญัติสาทธบัญญัติก็เป็นธรรมสัญญาแต่ว่าสัญญาเหล่านั้นก็ไม่กรมสัญญาก็พยาบาทสัญญาหรือวิหิงสัญญาวิหิงสาสัญญาหรือไม่ก็เนกขมมาสัญญาที่เป็นกุศลน่นนะสรุปว่าสัญญานี้เป็นทั้งกุศลกับอกุศลสัญญาพอสัญญาอันนี้เกิดขึ้น ได้องค์ประชุมเบ็ดเสร็จแล้วว่างั้นเถอะสมมติวาระว่าด้วยการประชุมผ่านไปอยูย่ๆว่างๆ ว, ว, วิตกขึ้นเนี่ยนสัญญาเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้คิดถึงอวันก่อนเนี่ยเรื่องเป็นยังไงนนนะก็เอามาทบทวนนะนะะเรียกว่าเอามาสรุปเรื่องราวที่ประชุมวันนั้นเอามาวีนี้ใช้อ่านะก็เป็นเรื่องขึ้นไอการวิตกนี้ก็แบ่งเป็นอะไร บางอย่างก็เป็นการมัวิตกเห็นไหมประชุมแบบ น, นั้นก็ดีเหมือนกันนะหนไหรือบางทีไปไอคนนั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นเข้าอะไรพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นหรือบางทีก็วิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าครั้งใหม่ น, ะน่าดูเลยครับนี้เอาคืนมัง่งหรือบางทีบางคนก็คิดเพื่อจะออกเป็นเนคขมะวิตกบางพวกก็อัพยาปาทาวิตกเนี่ยนะคิดถึงเรื่องนั้นแนหะ บางทีก็อวิหิงสาวิตกก็จะเข้ามามันสรุปว่ากามวิตกพวกนี้ก็แบ่งเป็นอกุศลสิบสองใช่ไหมเออไม่ใช่แปดยอกุศลแปดพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็สองถ้าเนคขมวิตกอพยปาธาวิตกอวิหิงสาวิตกก็คือกุศลแปดเป็นวิตกที่เกิดร่วมกันไปหมดนนะก็คิดเนี่ยนะวิตกก็คิดไปเมื่อวิตกคิดอย่างนี้ครับพอใจ นะพอใจที่จะเอาอยัางไงต่อไปสรุปว่าจะเอาอยัางไงอ่ะนะเมื่อคิดสรุมประชุมเบ็ดเสร็จแล้วเอาไงดีเรื่องนั้นๆน่นนะนะพอพอใจอย่างนี้เข้าโดยทั่วๆไปเนี่ยพอใจในอะไรก็พอใจในรูปบัง่งพอใจในเสียงบ้างพอใจในกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมพอใจในเรื่องนั้นๆเป็นต้นอ่ะนะก็เกิดพอใจว่าบางอย่างคือคือแบ่งแล้วไอ้นั้นไหมสมมุติว่าพยาบาทไม่พอใจต้องอย่างนั้นสิอย่างงี้สิ ก็จับสันจนพอใจพอพอใจเสร็จก็เร่าร้อนเพราะเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งเไร้อนในเรื่องนั้นเนี่ยร้อนยังไงร้อนว่าเออถ้าถ้าเราจะเอายังไงลวนะสมมติถ้าพอใจที่จะให้มีการประชุมแบบนั้นก็ร้อนทำยังไงจะได้ประชุมอีกครั้งแบบนั้นขึ้นอีกถ้าไม่พอใจถ้ายังมีการประชมุมก็ร้อนทำยังไงจะปิดการประชุมให้ได้ไม่ให้มันมี ต่อต้านนะครับเนี้ก็ร้อนนะนี่ก็ประท้วงเป็นต้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นประท้วงก็มีหลายคนนะบางคนก็ประท้วงหมู่บางคนก็ประท้วงคนเดียวบางคนก็ประท้วงเงียบๆอะไรก็แล้วแต่นะแม้แต่การนั่งนิ่งๆไม่พูดต่อก็เรียกว่าประท้วงเลยนะใช่ไหมทีนี้พอเกิดการเร่าร้อนอย่างนั้นก็แสวงหาใช่ไหมพอแสวงหาก็เข้าหลักตันหาเป็นมูหนึ่งแล้วเนี่ยนะเพราะไอ้เร่าร้อนตัวนี้คือตันหาอีกนั่นแหละเนี่ยนะก็มาเข้า ตัอ้นหาเกิดสแสวงหาสแสวงหาก็ได้พอได้พอใจแล้วใช่ไหมตกลงใจตกลงใจเอาไงดีแบ่งอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะก็ไปเข้าก็สรุปจนว่าต้องอยู่ในวะะัดตากต่อไปอถ้าจำไม่ผิดก็ปริลาหานะไปริลาหะนั่นนะถ้าจำไม่ผิดนะ ปกติสัตว์ทั้งหลายจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดพูดตามเป็นจริงของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าไปรวมๆแล้วอะพวกวิวัตะไม่ค่อยมีหรอกมีแต่วัตตะทีนี้วัตตะเนี่ยกลุ่มสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายก็สาคัญว่าเป็นเป็นสัตว์ขึ้นใช่ไหมเพราะไม่ได้อะไรที่ที่สาคัญด้วยอำนาจสัตตะสัญญาเพราะไม่มีคณะวินิโพค คือไม่ได้มีการแยกแยะธาตุเลยเมื่อไม่มีการแยกแยะเนี่ยนะก็สําคัญสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นเป็นสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะก็เรื่องราวทั้งหลายก็จะไหลมาพรั้งพรูเต็มไปหมดเลยทีนี้ที่ยากก็คือหนึ่งไม่มีการแยกแยะเลย น, น, นะเช่นไม่มีแยกแยะทางมโนทวาร น, นะมโนธรรมะมโนวิญญาณแล้วมโนวิญญาณก็มาแบ่งชนิดของกลุ่มความคิด ความคิดเหล่านั้นมาแบ่งทําให้เกิดภาษะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วภาษะแต่ละเรื่องทําให้มีแนวความคิดสัญญาที่แตกต่างออกไปสัญญาที่แตกต่างทําให้ครุ่นคิดไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะที่ได้รับการตรวจสอบแยกแยะไม่มากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เลยเรียกว่าแทงตลอดได้ยากเนี่ยพอแทงตลอดได้ยากนี่แหละไอไการจมอยู่ในวัตฏะจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้จริงๆก็ต้องเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดใน ในาธาตุเหล่านี้ทั้งมวลได้แล้วก็ไปฝึกดูนะว่าธาตุสิบแปดเนี่ยนะศึกษาธาตุสิบแปดว่าในธาตุสิบแปดที่แตกต่างกันไปทัศน์ภาษะของแต่ละทาวารก็แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละทาวารก็ต่างนะแล้วแต่ละอารมณ์ก็ยังต่างเข้าไปอีกแม้กระทั่งภาษทาทวารตาเนี่ยนะสีก็ให้ให้ ให้ภาษาที่แตกต่างกันสีเขียวก็ภาษาอย่างหนึ่งสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นก็คละภาษาละเมื่อภาษะมันแตกต่างกันอย่างนั้นเวทนาก็ก็แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอุเบขาเวทนาบ้างะนะเวทนาที่แตกต่างเมื่อเวทนาต่างไปขนาดไหนเนี่ยนะเข้ากับว่าเก็บข้อมูลไว้เท่านั้นแหละพอเก็บข้อมูลไว้เต็มพิกัดนิต ก, ก็คิดเอาเหมือนกับว่าเลือกเอาข้อมูลไหนดีเพราะมันทึกไว้หมดแล้วเก็บไว้หมดแล้ว ก็เลือกตรึกเอาพอตรึกเข้าวิตกเนี่ยนะด้วยอํานาจอาคุศนวิตตกเป็นต้นก็ฉันท่ก็เกิดก็ อ, อย่าลืมว่าตันหามีวิตกเป็นเป็นแดนเกิดอันนี้เขาบอกว่าเขาเถียงกันในพูดาภาษาลิบุตรกับปริพาชก ค, คนหนึ่งเขามาถกกันว่ากามนี่มันคืออะไรกันแ น, น่สรุปว่าอะไรเป็นเป็นตัวกามกันจริงๆ ปริพาชกเขาก็บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นตัวกามเนี่ยนายสารีบทก็ถามว่าอางั้นใครที่กินอยู่ก็ยังบริโภคกามอย่างงั้นใครที่ยังเห็นก็ชื่อว่าบริโภคกามเพราศาสดาของท่านก็ยังบริโภคกามนี่ภาษารีบุตรก็เลยแล้วภาษารีบุตรว่าไงก็บอกว่าความดําริที่เกิดนะวิตกอ่ะที่ครุ่นคิดนั่นแหละคือเป็นกามความดําริด้วยความพอใจนั่นแหละเป็นกามเนี่ยนา เพราะฉะนั้นถ้าการแบบนิ่มจริงแต่ละได้ใช่ไหมจะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพื่อละ <Okay. S 1> แต่กลุ่มนึงถ้าไปถือวัตถุทั้งหลายว่าเป็นการจริงๆแล้วก็ไม่มีสิทธิละได้ยังเห็นก็ถือยังบริโภคกามอยู่ยังได้ยินก็ยังถือว่าบริโภคกามเพราะขันห้ายังต้องการอยู่เพราะยังการอยู่เพราะยังคือยังไงก็ต้องเห็นน่ะพระพุทธเจ้าก็ยังเห็นแต่พระองค์ไม่บริโภคกามเพราะไม่มีฉันทระด้วยอำนาจกิเลสอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่สําคัญก็คื อ, อตัวกามก็เกิดจากความดํางรินั่นเองเกกกกิิดจาอาุศลวต นี้กุศลวิตตกจะแก้ไนดะ้ยังไงเนี่ยก็แก้ด้วยเนคขมมะวิตกเป็นต้นแก้ด้วยกุศลวิตกแต่ที่จะมีกุศลวิตกได้สัมมาทิฏฐินี้สําคัญที่สุดเลยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรเช่นว่าวิตกอย่างนี้ต่อไปจะมีผลยังไงถ้าไม่วิตกอย่างนี้มีผลยังไงต่อไปฉะั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจึงอุปการะแม้กระทั่งต่อกุศลวิตก ต่อเนคข ม, มวิตกท้านเนคข ม, มวิตกเป็นต้นเกิดมากอนะคนคิดยังไงมากก็พูดอย่างนั้นอยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นวาจาต่อไปก็จะลักษณะนั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็แทงตลอดยากที่แทงตลอดยากเพราะสัตว์ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาเลยเพราะไม่มีการแยกแยะไม่มีการใคร่ครวนเนี่ยนะถึงไข่ครวนก็ไข่ครวนเพื่อจะเอาอีกอยู่ดีก็ก็อย่างทั่วๆไปนะกามวิตรกะมาตรึกก็ตรึกเพื่อจะเอาอ่ะนะไม่ได้ตรึกเพื่อจะออกอะไรหรอก นะก็ตรึกเพื่อที่จะหมกมุ่นกับวัตถุทั้งหลายโดยที่ไม่เห็นพิษภัยของวัตถุคำว่าวัตถุนี่รวมถึงนามธรรมาด้วยนะวัตถุเนี่ยนะวัตถุแปลว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความคิดเนี่ยนะสิ่งที่ที่จิตคิดอ่ะทั้งหมดนั้นเรียกว่าวัตถุหมดเลยอันผู้ที่คิดจะออกจากสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วไม่มากนะในในโลกนี้เนะเพราะวันๆหนึ่งนิ จ, จังทุกขังอนัตตาเรารู้จริงแต่คิดวันละกี่ครั้ง ใช่อายอมรับว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยรู้ละแต่วันหนึ่งเราปรารภกี่ครั้งดีเพราะการปารภ อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมถึงรู้ถ้าไม่ปารภก็เหมือนเดิมถ้าเอามาปรารภแล้วคลายได้ใช่แต่ว่าส่วนมากแล้วที่จะามาปารภนี่ส่วนมากจะต้องเป็นโมนะสมนัสถ้าโสมนัสแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยไ ม, ไม่ค่อ ย, มอยไม่ค่อยคิดออกอ น, น, นะที่ผมได้ได้แต ถ้าหากเรามีโทมนัเมื่อไหร่พวกเอาพวกนี้มาไข้นะเห็นเลยไนะเห็นแลว้วมันมันมันตัดได้มันอได้แต่ว่าพอเ ร, เ ร, เรื่องดีกัมนมเรื่องดีไม่เคยไม่เอ า, เอาแต่จริงๆแลว้วพ่อองค์ให้ละสมุไทยในตีรูปสาธรูป<ต>ในเรื่องดีแ ต, แ, ตแต่ก็ยังยังดีที่ว่าเออยังมาปล่อยไก็เ like รียกว่าแก้ได้ในส่วนนั้นเจิญผ่านแต่ก็ถ้าถ้าแก้ส่วนนั้นบ่อยๆนะถ้าฝึกอย่างนั้นไปบ่อยๆจะรู้ว่า โทมนัตเนี่ยไหลมาจากโสมานัตเพราะก่อนที่จะมาโทมนัตก็คือมาจากโสมานัาวัตถุใดที่เราเสียใจนะโดยมากวัตถุนั้นเราเคยดีใจไว้ก่อนละหรือเคยพอใจในวัตถุนั้นๆไว้แล้วหรือแม้กระทั่งอาจจะพอใจในความฝันนะนะว่าคงจะไปแนวนี้แหละบางท่นนพอใจถ้ า, ามันเรื่อง น, นี่มพอใจมมันต้อดีกกลาาแว แต่ว่ามันเพิ่งจะมาเสียหายในตอนนี้ก็ยังโทตะพอเป็นผลของความดีใจใช่น่ก็เป็นผลมาจากตอนนู้นน่ะนี่แต่บางทีก็แบบพอใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วทำให้เสียใจอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เช่นพอใจที่จะไปให้ทันงานใครมาปาดหน้านะไปทำให้เราไปไม่ทันเราก็ก็ไม่พอใจนะจริงๆเราพอใจเรื่องนั้นอยู่คือในในโลกของธรรมะจะไม่เอาเหตุผลแบบชาวเรามาคิดกัน เขาจะเอาแต่ในโลกของธรรมชาติด้วยกันเนี่ยเอาโลกของธรรมชาติเนี่ยนะคือสรุปว่าถ้าอย่างอย่างสมมุติแบบทางโลกนะจะสูบบุหรีเพื่อสังสรรค์หรือกินเหล้าเพื่อสังสรรค์อะไรก็ตามนะทางแพทย์เขาก็ถือเรื่องของเรื่องเรื่องสารอะไรตามภาษาของเขาไปนะซึ่งไม่ได้ ว, ว่าสังสรรค์หรือไม่สังสรรนคะ์ไม่รู้ละจะฉันจะเอาแต่เรื่องนี้ทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกันคือคุณจะมีเหตุผลเรื่องอื่นจะให้คุณพอใจคุณเรียบคุณอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าไอ้ความพอใจนี้เป็นเหตุหแห่งโทสานะ เนี่ยหรือคุณจะบอกหน้าพอใจหรือไม่หน้าพอใจอาจจะมีเหตุผลก็าตามแต่ว่าความพอใจเป็นตัดใจให้เกิดโทสะเน mm ี hmm. ่ยนะก็เอาสภาวะเป็ น, เ, ปนเครื่องวัดเป็นเกณฑ์เนี mm ่ย hmm. นเขาก็ศึกษาให้รู้ว่าเบื้องลึกของวัตถุนั้นน่ะคืออะไรแต่ท้าว่าพอไหมที่จะรู้แค่เบื้องลึกเท่านั้นก็พอไอการการรู้ว่าเบื้องลึกคืออะไรเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นยาตะปริญญาเท่านั้นเองเนี่ยนะ เพราะว่ากระบวนการในการเจริญต่อไปยังมีอีกใช่ไหมมีตีรณปริญญามีปะหาณนะปริญญาเข้าไปอีกตีรณปริญญาก็อย่างน้อยก็โดยอาการสี่สิบเนี่ยนียปะหาณนะปริญญาก็กลุ่มมนุปัสนาตั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนีแล้วก็มีกลุ่มต่ทางข้าปะหานวิขำพนาปะหานสมุเฉทะปหานกลุ่มภาวนาก็อุย้ยเยอะแยะไปหมดเลยเนะเรื่องยังยังอีกมากเนี่ยนยีไม่ใช่ว่ารู้แค่สภาวะแล้วพอเนี่ยนีแต่ถ้ามีสภาวะที่รู้แล้วก็พอก็มี นอนัสังขตะธาตุเพราะอาจว่ายังลงอมตะเป็นที่สุดอันนั้นก็เป็นสภาวะที่รู้แล้วก็พอแต่ก็ต้องรู้ระดับไหนจริงก็พอจริงะนะก็ต้องอรหะเมื่ออมตะนิพพานธาตุเป็นอารมณ์ของอรหั ต, ตผลเมื่อไรจริงกะพอแต่ถ้ายังเป็นระดับมรรคผลชั้นล่างๆก็ยังไม่พอเนี่ยนะเพราะยังกำเริบอยู่แล้วยังต้องปฏิบัติให้สูงขึ้นไปต่อเนี่ยนะใช่เวลาเพลใช่ไห